จาอใจเพื่อนจะทำมิกน้อหมูสงลดาชุกโตด้วยความกลัวข อ, องขมอันนี้เราท่านได้มาทำสมามิจิตกรรมมาวาดัดคนลบจะดงออกให้เห็น สังกายว่าจั้งกายะกรรมทงังวิจีกรรมมันจะเกิดจา ก, กม น, นกกรรมัจะนัดกันพูดกันตอนนี้ก็จะดงออกถึงความเป็นที่พึ่งพออาศัยกันแล้วก็มีคันจะปลยใจอุ่นใจสุขใจเย็นใจมีเพื่อนดีมิตรดีเสหายดี ผมจะเป็นที่พึ่งซึ่งกันและ ก, กันได้ในเวลานี้วันนี้เราก็มีอายุเจ็ดจิบเก็ดปีเต็มพอดีเป็นอยู่ในวัยในคนแก่อะไรก็ช่วยตัวเองไได้เท่าที่ควรจทต้องหลย่ยแสดงออกอย่างนี้แล้วก็มีที่พึ่ง กาใสยต้องไม่เปลี่ยวเดียวดายแต่ยอมแก่ยอมเท่าชัานดีแล้วก็ใจมากมากแล้วก็ชวิตของเราเป็นสอดสับพี่เป็นเพื่อนทำมาบิทย์่อยพร้อมทำมาบินหน่อยแล้วก็มีสิ่งที่เดียวกัน ันเดียวก่อนเหมือนกันลงเรือลำเดียวก่อนให้ข้ามภากบตรตจรสารให้ตอดลอดคลองวิธีข้ามภาคข้ามเรือเราก็มีอยู่แล้วในหลักทิจรีของพระเจ้าคือพระธรรมคำสอนนอน ให้เราได้เห็นโดยเกิดจากลืนหูหลืนตาขึ้นมาตอบภายในไปวิปัสนากรรมฐานมีสติดูคายดูใจของตนเองแ้ะได้เห็นหนทางจะมีสติเป็นเจนชีวัตเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจแล้ว จะเห็นทางทุกชีวิตเลยทีเดียวเรื่มีความรู้สึกตัวตั้งไว้ก่อนเป็นที่ตั้งเป็นป้อมปาการคอยเฝ้าดู่อยใจที่มันแสดงออกลักษณะไหนแบบใดมันแสดงให้เห็นอยู่ไม่ปิดบกำบางหวังกับเปิดของที่ปิด กายของที่ขึ้นมาให้เห็นหมดทุกรูปแบบของกายของใจเราดีมันหลงมันสุขมันทุกข์มันผิดมันถูกและต่างๆง่วงเงาหมานอนผิดฝุ่งซ่านลังเลสงสัยตลอดทอย่างมันแห ล, ละเราจะได้มีจุติเป็นเจนตั้งไว้กลับมาลู้จักตัว เราจะได้เห็นเหตุการเช่นนั่นเกิดขึ้นร้อยแปดพันอย่างแล้วก็มีหลักจุดยืนรู้จักตัวกับมารู้จักตัวกับมารู้จักตัวต้องหมดอย่าไปเป็นกับมันอยู่ตรงกลางมันสุกก็เห็นเหมือนสุกบรรทุกก็เห็นบรรทุกอยู่ตรงนี้อย่าสุกเป็นสุกอย่าให้ทุกเป็นทุกอย่าให้หลงเป็นหลงใหญ่ลูกเป็นสัลูก เปนความพอใจความไม่พอใจอย่าเอาจิตเอาใจให้ไปเปิดเื่อนเช่นนั้นช่วยจิตใจของเราให้กลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัวเช่นนี้กลับมารู้จักตัวเช่นนี้อยู่เสมอกลับมาแล้วกลับมาอีกมัจะคินจะเคยว่าเหยียบทางเช่นนี้ได้เหยียบทางเช่นนี้ได้อยู่ตรงกลางก็ดีเป็นมากรรมวิถีชีวิตของเรา จะได้มั่นใจเป็นหลักที่จะดีชีวิตตามหลักพระเจ้าสอนในพวกเห็นแล้วเหยียบเส้นทางได้แล้วเราก็จะไปตลอดโลอดฟางถึงหมายปลายทางมาเมื่อเหยียบเช่นตอนได้เช่นสมมาทิฏฐิความเห็นชอบเช่นรดีเหมืนบอกผิดบอกถูกเป็นความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้อง นี่รู้สึกตัวเช่นนี้ความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกขถูกต้องจนดีสัมผัสได้แล้วสัมผัสได้แล้วก็จะได้หลักชีวิตที่มั่นคงไม่ปิดเมเราลงเรือลูกที่ใดก็เรือก็อแล่นไปผ่านโนดผานนี้ไปเรื่อยๆก็ื่อแต่ยลงจากเรือจะลีลีขวงขวง ามาล่วงกันลงเรื่อนี้ก็ไปตลอดโลดฟังดมเล็กชอบคิดไปอลไรก็คิดจะช่วยคนอื่นจิงอื่นวัตถุอื่นอยู่เสมอหรือว่าเป็นการเดัดขาดไปแล้วเรื่องวามคิดก็จะคิดายเด็ดขาดไม่เอ า, า, เอาใจว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ความคิด ไม่อเอกายเอาใจไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเด็ดขาดไปเลยนี่ไปเสร็จแล้วออกจากวังนี่ไปฝังอยากจะไปฝังงน่นแล้วนี่ละบ้านีนีจากความชื่วไปสู่ความดีคิดแล้วก็คิดถูกก่อนพูดจาภาษาก็ถูกด้วันนี้มันมีทั้งวันมีกายมีใจมีวาจา ม่าใผิดจะจะบอกแกคนแล้ววัดเนี้ความหลงไม่ถูกต้องหลงนะความไม่หลงถูกต้องจะบอกอย่างนี้ความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องมันมีอยู่ทุกข์มีอยู่แต่ความดับทุกข์มีอยู่ความผิดมันก็มีอยู่แต่ความไม่ผิดมันแก้ได้ในข่าวเดียวกันนั่นเพิ่มกันความทุกข์กับความไม่ทุกข์เกิดพร้อมกัน ในคนเราพบรชาติเลยในเปลี่ยนมันสาเด้อดร่มมันทันทีมาไววไหวสติมาไววไวใจเกิน ค, คิดจิตใจวาจาจะถูกไปแล้วเด็ดขาดแล้ววาจาก็เด็ดขาดแล้วไปสิแล้วพ้นไปแล้วพ้นบา่าเก่าไปได้บ้างแล้วรู้สึกเห็นกัะแส ได้กระแสฝังโนดฝังนี้เอาเก้าหน้ามีกำลังมีความเพียรมากขึ้นมีการงานนั้นชอบเกิดขึ้นมาทำอะไรจะได้ออกทางกายวาจาใจไม่เบียดเบยนตนแล้วบียเบียนคนอื่นทีกว่าการงานชอบทำอะไรก็ตามในโลกนี้ จทำจริงแต่ไม่ถูกต้องไม่เห็นความไม่ถูกต้องก็พยายอมที่จะคิดเพื่อที่จะทำสิ่งอื่นๆอื่นให้มันถูกต้องมีให้ทำงานเช่นนี้ไม่ให้ทำเพราะเราอยู่ในโลกหลอยชีวิตหลายจิตหลายใจนาน า, นาจิตตังคนทาชั่วก็มีคนทําไม่ชั่วก็คนทําถูกทำผิดก็มีนั่นเราก็ สะบับตัวลงไปแก้ไขทุนเด็กเลิมหนึ่งจากตัวเราก่อนเป็นเรื่องของเราใช่ของนคนทําไม่ดีมันเป็นเรื่องของเราจนคนทำคนอื่นเป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราเปิดการนอนชอบตัวนี้ขึ้นา่าแล้วก็ไปแก้ไขด้วยการแสดงออกบ้างโดยความพูดบ้างโดยการคิดบ้างทํำอนจะอยู่บ้าง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีหลักยืนในการทำงานอยู่ในงานก็งานชอบไม่ใช่เฉพาะตัวเองอย่างเดียวเสาะเหมือนครบวงจรทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เห็นอยู่อะไรก็ตามที่มันเกิดได้เห็นก็ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในโลกนี้ยเยอะแยะแล้วก็มีมือมีขามีแขนมีสติมี กำลังพอที่ทําได้ก็ทําไปเลยทีเดียวไม่ล่อนับต้นจากโตนับเดิงจากแล้วก่อนเกิดกางชอบเพี น, นี่ขึ้นมาเมื่อเกิดการชอบก่าเลี้ยงชีวิตชอบพอดีพอประมาณไม่ทาให้ใครเดือดร้อนโดยเพาะเราเป็นนักปวดเพื่อนจะทาเอ็กเตียงชีวิตด้วยคนอื่นช่นดี ก็ก็หมาพอเหมาะพอดีแล้วการทำงานก็ดีลยกันอย่างชีวิตก็ดีก็ทาไม่ทำให้เสียตเกิจเสียหายแม่เรามไม่ได้เป็นยอดโจมทำมาหาเกินเสียภาสีก่อนจบประเทศยอดบัานเมืองเราก็ประหยัดไม่ทำอะไรให้เสียหายอาจจะมีแต่ความสร้างขึ้นมาให้ดีกว่าเกา่าเรื่องชีวิตอบก็ มีความภาคเพี้ยนชอบขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวเพียนประกอบสิ่ง น, นั้นไม่ต้องหัวถอยตั้งใจไว้ที่ไหนไวยอมทําสิ่งนั้นไม่หวังทุเลาะก็เกิดถ่วมเพีเ้ยนภาคความท้าพเพี้ยนชอบไปมีเปัญหาอุปสรรคลำดก็พยายามอยู่เสมอหนักบ้างเบาบ้างคอยอมตามกําลังของเรา ในความเพียรชอบแม้แต่เกิดจากตัวเราก็มีความเพียรชอบเกิดจากชิงหรือวัถอื่นก็ตั้งใหมีความเพียรชอบอยู่สเสมอในการทำความดีแล้วความชั่วก็ไปเองวันทองบอกไปเอง ม, มีความภาคเพียรชอบมีสติวตั้งไว้ชอบไม่งอญแย่นครุขระ ตั้งหลัก น, น้อยเมื่องียบจนแทนอินทอสนเส ร, ร่อสุขทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวในโลกนี้มีอยู่จริงกวามไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่อยู่จริงไม่หวั่นไหวสุขทุกข์อินทอสนเส ร, ร่อไม่หวั่นไหวได้หลักเช่นนี้มั่นคงมีความมั่นคงพอสมควรเออเป็นหลักยืนหยัดได้ มีความมีสติต้องไยชอบก็มีสมาธิมีจิตใจต้องไยชอบอีกมันก็ผลังอดีกรวมกันเป็นเส้นทางไปได้ง่ายๆสุดหลายปลายทางตลอดโลดฟังหรือว่าก็สูสุดวังงโน้นไปได้ข้ามไปได้มองเกินหลัง มองขึ้นหลังไม่มีทางไปก็มองไม่มีทางกลับไปอีกกลับมาได้อีกว่าไม่ถูกต้องจริงๆเห็นแล้วก็ขนหัวลูกหรือว่าชีวิตมาถึงที่สุดยอดแล้วนี่หลักทฤษฎีของพระเจ้าไปอยู่ในชีวิตจิตใจของเราทุกคนพวกเราจึงหยุดงานนี่ไว้ตั้งต้นจากที่นี้ แลวโบลงมาศาสตราของเราก็ตั้งต้นอย่างนี้เกิดจากวิปัจนากรรมฐานทำกรรมฐานไม่ใช่บิเลียนรู้เพราะฉิษฐาเรียนมาจบทิพศาสตร์ไม่รู้เรื่องนี้เลยอมมาฝึกมีสตินั่งคู่แขนเข้านั่งเหยียดแขนออกรู้สักตัวขึ้นมามันเกิดเห็นอย่างนี้ขึ้นมา อาใช่ได้เจิงเจิงโอ้นี่โอ้นี่นี่นี่ค้ายๆว่าอย่างนั้นมั่นจะอย่างนี้นี่นี่ความผิดก็บอกความถูกก็บอกนีอ่องอาจจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพก็อยู่ประจา่าดำโนดูคิดถึงประจา่าดูกับบาลู่จากตัวทิ่ถึงเพียงบาลกับมาลู่จากตัวนี่นี่มันก็ได้หลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เราจึงมาทําเดินตามรอยพระทศเจ้าพระศาสดาของเรามั่นใจอุ่นใจดีเมื่อเราทําอย่างนี้ก็เหมือนพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเสมอไปเวิรกมือเรียกโบกมือเรียกมาทางนี้มาทางนี้อุนอกอุนใจตอบพระหันทั้งหลายเยอะแยะก็รู้สึกว่ามี ที่พึ่งพื่อช่วยอุ่นใจดีไม่ใช่เราเดี่ยวเดียวดายเส็จแล้วยิ่งพวกเรามาอยู่ด้วยกันที่นี่ไม่ต้งหมูสงแลยยอดโยมในวันนี้ม า, ากันพอสมควรก็ขออยากพูดอยากบอกจกังนี้วันจึิงจะถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องเป็นเช่นนี้มีอยู่ มอยู่จริงอย่าะจนอย่าะจนเวลามันทุกข์ก็อย่าะจนเวลามันก็ก็อย่าจนเสียดายตรงนี้เสียดายเวลามันหลงก็หลงไปเวลามันทุกข์ก็ทุกข์ไปเวลาโกรธก็โกรธไปจนสแสดงออกให้เกิดการเดือดร้อนจุดเกิดทุกข์ก็ตารางขึ้นมาเสียดายตรงนี้หน้าใจเปลี่ยนน้าใจเปลี่ยนอยากจะบอกตรงนี้บอเป็นมิตรเป็นเพื่อนทุกชีวิตที่นี่ พอจะอยู่กันได้ที่นี่เหลือก็มีรันไดยาวมีดมีพระอาจารย์พิสิทอาจารย์สรงเศษอาจารโนดจรย์ดูมเชิญสถาบักชีวิตไหลอ ย, อยู่ที่นี่แม่จีหมูยอดโยงหรือเมื่อมีดพวกเราบริสุทพวกเราขนส่งให้ไปให้พ้นการคนหนึ่งช่วยอันหนึ่งคนหนึ่งช่วยอันหนึ่ง นี่ก็เลยเกิดเช่นนี้เช่นมาแล้วก็มีจิตกรรมวิธีกรรมจิตวัดวิธีวัดสมบูรณ์แบบมีการวิธีธรรมะส่วนมวลตอนเช้าตอนเยน็นแล้วก็แสดงธรรมนี้เป็นเหมาะที่สุดแล้วแล้วก็มีสถานที่อย่างนี้มีสารที่อย่างนี้ก็จะไปอยู่ไหนอกีกชีวิตเราก็มีอย่างนี้แล้ว มีชีวิตอย่างนี้แล้วสัมปันได้ทุกชีวิตอย่าจนอย่าจนอันนี้เราก็รู้สึกว่าอุ่นใจอุ่นใยมีทั้งหมูสองลายน่าจอมบาาชกบาชิกาเราก็พูดได้ไมมาก อ, อยากจะพูดก็โดยเฉพาะเลมันฟ้อม จนส่วนดังชีวิตของเราเรายืมเราไม่เลื่อมสตีตอนที่เราป่วยห้าปีพ่านมานี่เลยวันพร้อมได้มีส่วนช่วยชีวิตของเราไว้ข้าวอะไรข้าบาเลเลยข้าไม <c oughs> ่เคยได้ฉันข้าวบาเลเลยนอนหลับก็บานกขนาดพื้นฟูนใหม่ขึ้นมาถามเดือนต้ ง, งหลานข้าวอะไรเนี่ยข้าบาเล่โอ ถ้าไม่ป่วยก็ไม่ได้กินเ้าะเข้าปลยเลยรู้จิว่ามีชีวิตจิว่าเลยมอนวามหมเลมอนวามสอบใจ้ครับใจทุกคนนะพูดได้ใช่หรอฉันาหรจะถึงวันจะไปจังไอนะ้ฝนจะได้เนาะยาดาบาลีวาหาปุราบาลีปุรันติสังกะดงังเอวะมีโตตังตังอกัปติ เอตตังปจิตตังตระมังคิดปฏิวัติวิจารณ์จัตุาพุนิจตุสังกภาพจันทปโอยดังอุนิจอดิอัจโอยดังจัปปีติวักรัตตุาพุโลกวิญญาณจัตุมาเทวาตวัตรายโวจุคีตาจุกภะวะอภิวาตัลลาสีเลจดิจังวตมาวัตันต What a